แต่ความจริงแล้วเฮามาทำข่มรู้สึกตัวนี่แหละการทำข่มรู้สึกตัวนี่คนก็เว้ากันมาหลายนานปีนานวันมาแล้วเฮาเว้ากันมาหรือว่าให้รู้สึกตัวเนอะดูสิพ่อแม่เน่ยพ่อก็ว่าให้ฟังทำพูดคิดให้รู้สึกตัวนะอย่าลืมตัวนะเปันว่าแล้วมันมีความหมายขันมาให้รู้สึกตัวนี่อย่าลืมตัวนี่ เขาเพียงเป็นเพียงเข้าใจคำพูดซื่อๆเขาโบได้เข้าใจแท้ๆเนื้อแท้มันจรงว่าบอคอยได้เว้ากันคันมาว่ากันกนว่าแต่เปลือกนอกๆนี้จิตใจคนมันก็เลยบ่ได้เปี่ยนแปลงจากสภาพไปคันว่าไม่ให้รู้สึกตัวเนี่ยให้รู้สึกตัวเน้อให้ตื่นตัวเนื้อหมายถึงให้รู้ใจพุ้นี้ให้รู้กายภายนอกกับแม่แต่ให้รู้ใจพู้นี้ รู้สึกตัวในหมายถึงรู้สึกใจใจมันนึกมันคิดอันใดให้รู้เมื้องแรกการเจริญวิปัสสนาหรือเจริญสติหรือเจริญสมาธิเนื้อทำข่มรู้สึกตัวนี่ทำที่แรกนะโมรูมิยังเหตุซื้อเฮตุซื้อเซื้อเหตุซื้อที่มีความหมายอย่างใดเหตุซื้อมันก็ได้ขุมอันซื้อๆนั่นออกมาขุหมหมายมันเหตุซื้อ ให้มันเป็นซื้อซื้อมันเป็นเองควรมเป็นเองที่ว่าเป็นซื้อซื้อโมได้ซื้อโมได้หาโมได้เอาเงินเอาทองไปย้างคนอื่นมาทําให้จิวะให้ซื้อซื้อเป็นซื้อซื้อเป็นนั่นจเป็นซื้อเป็นซื้อซื้อครเป็นซื้อซื้อนี่ก็ว่ากันก็อาจจะเข้าใจยากคือเป็นอ ah. ันที่มันโมใจหายเนี่ยแหละมันใจมันโมโก้ดมันโมโลบมันโมหลงนั่นแหละเราเจี้เห็นจี้รู้อันนั้นว่าให้ซื้อซื้อ มันจะได้ซื้อๆได้ซื้อๆกับบได้ลงทุนบุได้ซื้อมันเป็นซื้อๆควรมเป็นเองจรวมมันมีอยู่แล้วในคนทุกคนไม่ยกเว้นเรื่องพนีแต่ว่าคนผู้นั้นจะทําให้มันรู้หรือหรือจีบุทาให้รู้หรือจีบุทำให้มันมีหรือจีบทรรุ ท, ท, าาทำให้มันมีเท่านั้นสิซื้อถ้าหากทําให้มันมีนี่ยก็ต้องทําเองบุ ม, มีผู้อื่นจะทําให้เหาอีกตื่มการทําอย่างนี้ก็ได้ พ่อทำให้กับโบได้แม่ทำให้กับโบได้ลูกทำให้กับโบได้สามีพรรยาอยู่ด้วยกันทำช่วยกันกับโบได้เพียงแต่แนนแ น, แนววิธีให้เท่นั้นซื้ซอดังนั้นวิธีนั่นก็ต้องบอกกันแหละให้เฮ็นจังหวะนางน่งนิ่งไม่ได้ต้องให้เคลื่อนไหวอยู่เสมอเการเคลื่อนไหวนั่นหอยจีว่ากันซื้ อ, อนี่แหละแต่ว่าต้องมีจังหวะ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 สัญญาจึงว่าความจําหมายรู้จําได้จําได้เมื่อจําได้แล้วสิมันมีงานงานปัญญาเนี่ยงานขมรู้งานจึงว่าปัญญางานจึงว่าขมรู้งานจึงว่าผาหนะงานจึงว่าขนซ่งมันหลายคําพูดผลมาขนซ่งจังไดขนซ่งคนคนนี้เข้าไปฝากนี้เอาไปไว้ฝาก น, านั่นคุณขนออกจากพี่จากเป้จากมานกล่ว่าใด เหาบ่เห็นด้วยตาด้วอันนี้เมื่อเห็นจับโบธุกด้วยมือมองบ่เห็นด้วยตาคนจิตคนใจก็ว่าได้เอาที่จีวานะหรือจีว่าสมมุูลค น, นคนนี่จากโลกอันนี้ไปนิพพานก็ว่าได้มันเรื่องสมมุติดัง น, นั้นจึงว่าให้เหรารู้จักสมมุติจริงๆสมมุติที่ว่าเออสมญญมุติบัญญัติปรมัดบัญญัติอัฏฐบัญญัติ อริยบัญญัติโบมี เ, เ้าซื้ อ, อเว้าต้องใจต้องเห็นต้องรู้ต้องสัมผัสนําอีกตึมตึ้มตึงอันว่าต้องสิ้นเสียพดแต่กับว่าเปลี่ยนเนี่อันว่าสมมติบัญญัติปรารมาตัตตบัญญตัติอัฏฐญญะบัญญัติอริยบัญญัติเนี่ยแต่คนแท้โบมีผู้เมาบุรุษจีมีผู้เมาเนียพ่อกระบอกจักเนียพ่อไ่เคยได้ยินเนียพ่อไปปฏิบัติเนียพ่อลูเนียพ่อจึงเอาเจ้าของว่าเนียพ่อมาว่า ไพซว่าจะเนี่ยกัเรื่องของคนอื่นเรื่องของญาพอมเป็นเรื่องหนึง่งมันเปนเรื่องผู้อื่นจเวัลผู้อื่นก็ว่าเรื่องของผู้อื่นจีว่าการปฏิบัติแบบนี้จีวัลบกขึ้นอยู่กับครูบาอาจารย์บวกขึ้นอยู่กับตำแหน่งตำหนักขึ้นอยู่กับตัวการกระทําการกระทําของผู้ใดทําขยันทํำเก่งทําให้รู้สึกจริงๆลูกถ้าหากทําซื่อๆ อ, อ, อยากดีอยากเด่นอยากดัง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 เขาจีเอาไปใส่กต่มันก็ต้องไปนำเอามันแล่นไปเริ่มไปแล่นข่วงน้าเขาอยู่มันยืนข่วงทางเขาไปเตะมันตูมหนึ่งเง่งแล้วมันหนีไปโน่นโอ้หมุนเหลื่อมตามันเก่งหมดมันหายตัวได้คนเบิ้งมันจึงบ่เห็นมันยังคนจะไปเตะมันนะสันนี่หม่ามันเป็นอยงนั้นถ้าหาวย่างไปมันแล่นไปก้อนเขาก็มันจะข่วงน้าอยู่ของเขาะเซะโอ้ยหมุนมันจืดมันจางมันหายไปแล้วสันหม่ามันเป็นง อันนี้แหละเขาอยากเห็นมันก็เลยเห็นมาโลดอยากดีมันก็ดีมาโลดอยากดังมันก็ดังมาโลดอยากเป็ น, สนเสน่ห์เป็นมันเพาะใจนั่นเองอย่างว่าคาถาม า, าจาีจอกเป็นว่าอยงนั้นเป็นคาถาเป็นวิสาห่วงกันไว้อหอบบรรลุทำได้เป็นว่าจยางนั้นอย่างว่าคนทำวิปัสนานี่มันจึงต่างกันต่างกันในโบเซือว่าจีคือกันบมทุกคนเนี่ยลักษณะจิตใจ ถ้าหากมาทำวิปัสนาย่างที่หยาพอวาอยู่เดี๋ยวนี้นี่ฝังแล้วจําได้ไปทาโรลดข้อแรกเนี่ยต้องเลิกเลิกขมสัวทุกประเพณอันนี้บอกกันสิซึ่งเสพติดมึนเมาทุกประเทศแมน้กิริยาบารยาทุกอย่างต้องฝึกหัดดัดแปลงปฏิบัติกังายห้าเขาบูทันเลิก ขวมซัวขวมบุตีนั้นปฏิบัติกยากหรือเฮาว่บหยุดโบเสาร์ซิ่งที่มันบุตีนั้นจะรูยากและฮาวโบเคยฝึกหัดดัดนิสัยกิริยามารยาทที่มันบุตีนั่นเป็นการรูได้ยากญาพ่อคํานวณผู้เดียวนี่เพราะยาพ่อไปปฏิบัติธรรมะญ า, าพ่อไปทํามันโบนานไหมแต่ยาพ่อหักธรรมมาได้นานแล้วทำพุทโธ สัมมา阿ะหังนับหนึ่งสองสามพองยุบหายใจเข้าสั้นออกอยาวนี่เฉพาะเฮตนาหมดแล้วมนุนแต่ห้อยังบทันรูเมื่อไปทําแบบเคลื่อนไหวนี่บทันนานมึดเดือกเอ้าหูมุดเดีือกบนไม่ใส่ว่าอึดใจเดียวส้ทําอยู่มือหนึ่งสองมือกับหูโหลดอันโบญาหูจักข้อแรกก็บหูจักเรื่องรูปเรื่องนามนี่แหละอย่างที่เนี่ยพอวาสุฟังหูจักแล้วก็เลิกโหลดอย่างพอ เรื่องทุกข์นี่ยพอรู้จริงๆเยี่ยพอจึงว่าเห็นคนทำผิดมันทุกข์ข้าเจ้าบูหุจักข้าเจ้าบูหุจักได้ข้าเจ้าอย่างเห็ดเลยบุแม่ข้าเจ้าจีไว้หูจักอย่างเห็ดอยู่แต่บุแม่คนบูหุจักอย่างเห็ดถ้าคนหุจักเราเลิกโหลดอันจำเพื่อนมาว่าซื้อๆในบุญแม่จำซื้อได้อัันนน้บุญแม่เห็นด้วยญาณบุได้เห็นด้วยปัญญาบุได้เห็นด้วยการเห็นแจ้งเดี๋ยไป ฟังเพื่อนเว้าจําได้ของเว้าโอาซื้อเนี่เรื่องมูเนี่ยเที่ว่าการเลิกสิ่งสัวลายนั้นโบมีมีกันน้อยเคยย่างมูพอออกไม่ออกเรือว่าญาติโยมทิว่าเสนอ ก, ก็ได้แล้วว่าพอออกไม่ออกก็ได้ว่าญาติว่าโยมก็ได้เห็นไหมบ้านเน่พอว่าได้ทั้งสองควมอันหรือเพื่อนภิกษุยุ่งกันเนี่ยก็คือกันว่าญาติพ่อลูกคูบาองนั้ น, อง น, นองนี้เนี่ะกล่าววาไดถ้าหากโบเลิกแล้วการ ที่จะเกิดปัญญานั้นยากเพราะว่ามันยังทําซัวอยู่เด้ใจเป็นยังซัวอยู่เพราะเหาุบุเห็นนี้ขู่ซัวนี่ใจพุทธิมันเป็นโบเป็นตัวเขาเป็ี่ยนนี่ใจมันเป็นใจมันโบอยากเลิกโบอยากละแล้วขุมดึงดุดนั้นต์พลเอิ้นอุปาทานมันติดอยู่มันยังอยากเหตุอยากทําอยู่ขุมซัวนะขุมดีก็เกิดขึ้นบมได้ถ้าเขาทําซัวอยู่ขุมดีมันจะเกิดขึ้นหมดคล้ายๆลายคือน้ําที่มันสกปรกน้ําขุ่น แล้วเขาเคยทางคนกรุงเทพอาจิบุเคยก็ได้บ้านย่าพอมันเคยเฮ็ดนาย่างไปนําทงให้ทงหนาตงัวงูวตัวควายมันเยียบที่ตมเยียบน้ํานกลางน้ําขุ่นนานๆไปแล้วขี้ตมตะกอนนั้นมันก็ตกอยู่ในห้อยมาฮั้นเมื่อมีลมพัดเรื่อคนไปกวนมันน่นอันที่มันตกตะกอนจะคุ่นขึ้นมาโลด มันนี่คันนานๆไปแล้วน้ําตะกอนอันที่ตุ่มนั้นมองดูกับน้ําให้อีกเติมตะกอนกับน้ําบเซมันอันเดียวกันนี่คุณละอันกันที่ตมกับตะกอนคนละอันกันคันถ้าอันเดียวกันมันก็ต้องคุณอยู่โบเซจากเชื่อแล้วมันคุละอันกันเอาพิจารณาแล้วเอาน้ําออกจากตะกอนเอาตะกอนออกจากน้ําก็ได้เอาน้ําออกจากตะกอนก็ได้น้ําที่สกปลวกนั่นหักโบเอา เอาแต่น้ำที่มันโบสซกโปกนั้นอันนั้นมันเจือสซกโปกอยู่นั้นเขาบอเอามาอันตะกอนนั่นนะเขาบอเอามาแต่มันกรปุยเขาที่วิจัยออกมันกรยาเพราะเขาบ่กมีวิทยาศาสตร์หลายอย่างอันใจเขานี่ก็คือกันใจอยากเลิอกอยากเลิกลาจะขมซัวนั้นมันกรบรสะอาดเล้วใจอยากเลิกอยากละอากขมซัวแล้วก็ออกงเนีย่ยพอวา่าและวาเรื่องเรื่อ ง, องมูี่ เน่ยพ่อทำกองกระถินหนึ่งว่าไม่ออกไม่เทียดนี่ไปถามเอาเงินให้พามหมอลําใจมันปุ๊บโลดบอเดียวแกข่มจริงว่ากันแล้วแกทําไมมันเครียดอีกตื่น ม, มันโกรธขึ้นใหม่กตื่นหนักตึ๊กในใจคุณเป็นอะไรสันแล้วเาี่ยพ่ว่าโอ้อันนี้แหละมันทุกข์มากพี่ปองออกจากอันนี้แล้วสมันก็ออกนายแล้วแล้วบางคนว่าโอ้ข่มโกรธว่มรวบข่มหลงนี่มันเป็นธรรมดาดอกสันกระแมนของขาเจ้าอยู่มันเป็นธรรมดา จืงว่ า, ามันน้าคุ้นมันก็จึงโบเอ้าออกจากตมจากตะกอนอันนั้นได้ถ้าหากคิดว่าสิ่งนี้เป็นทุกข์แล้วจแยกน้ํากับแยกตะกอนออกจากกันได้ง่ายๆเรื่องมูลเพราะมันเกิดความบูดีขึ้นมามันคิดยากแล้วบบเอาโหลดบบเหตุโหลดมันบูดีได้ซึ่งเนี่ยมันหูจักเลยเด้อันว่าอยู่นี้ก็ว่าให้หูจักให้ได้ยินนั่นแหละได้ยินได้ฟังเพื่นว่ามันบูดีเด้เอากลเลิกโหลด มันก็ง่ายขึ้นอันนี้เจ้าปฏิบัติกรูง่ายส่แบบนี้เพราะว่ามันง่ายเลยเนี่มันเป็นทางไปเลยเนี่ยเพิ่นไห้ฟังเลยเนี่อันนี้เหาบวเป็นเอาทันเขาจะคอยห่าให้มันเลิกผู้เดียวเอามันจะเลิกอย่างนี้ของจิตใจมันเศร้าหมองอยู่แล้วน้ํามันบุอยากออกจากตะกอนตะกอนมันก็บุอยากออกจากน้าแล้วแบบนี้มันก็เลยออกก็เลยก็พ้นกันอยู่ันล้วมือหายมือดีมือหายมือดีมือสว่างมือเศร้าหมองไปทันแล้ว เมื่อซึมเศร้าเมื่อหดหูหดหูอะไรอย่างเงโงกงวงซึมเศร้าอะไรอย่นงเงี้ยจิตใจมันแหวเขาหรือมันห่อหุ้มอยู่เสียจิวะจะไหนควา่ามันบ่มีโตเด้แต่บ่มไม่จิตใจเขาได้อันนั้นอันนั้นมันมันเป็นวัตถุชนิดหนึง่งวัตถุนี่จิว่าหมายความหลายอย่างจิวาเป็นสมมุติว่าขึ้นมาวัตถุนี่หมายถึงตาเขา เ, ขาเป็นวัตถุ หูเขาก็เป็นวัตถุจะมูกเขาก็เป็นวัตถุปากเขาเนี่ก็เป็นวัตถุกายเนี่ก็เป็นวัตถุใจก็เป็นวัตถุวัตถุจิงว่ามันมีหลายอย่างความจริงนั้นสมมุติว่าให้มันวัตถุมันบุหุจักมันบุหุจักไม่ว่ามันเป็นวัตถุอย่างสันสิบุหุจักวัตถุจึงมีจริงปัลละมัดแบบนี้มีจริงจริงโดยสมมติแบบนี้สมมติอย่างไรนะเพราะว่าเฮ็ดไปแล้วจะก็เป็นปัลละมัดแล้ว ปรามาตัตตแปลของจริงได้จริงโดยสมมุติคำว่าจริงโดยสมมุติได้หมายความาในมันเป็นจริงแต่มันแก้ถูกบดได้เพิ่นเอิญว่าเป็นสมมุติสมมุติเอินปรามาตัตต์จ่งว่าสมมุติบัญญัติปรามาตัตต์มันอัฏฐะบัญญัติอั่นตามครูบาอาจารย์เพิ่นมาอัฏฐะเพิ่นว่าได้แก่อริยมรรคองค์มรรคแปดอะนั่นอัฏฐะแปลว่าลึกยากบุคคลจะรูอ้อะไรั่น คนว่าทั้งสั้นเหมือนกับบุญม่ของเิอกอัฏฐาเป็ว่ายากบุคคลจะเลิกละาจะาข่มสัวว่าสั้นวาง่ายๆอันนี้มันยากเมืนบุอยากออกจากข่มสัวนี่เชื่อเอื้นอัฏฐบัญญตัติเขาเลิกละจะข่มสัวแล้วเป็นอริยบัญญัติอริยะบัญญัติก็สมมุติว่าซื้อเพื่อเอื้นอริยบุคคลถ้าหากว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายเป็นพอบ้านเมลือนคนเอือน้นพระโสดาบันบุคคลขันถ้ า, าเป็นเจ้าหัวเป็นพระเป็นเนรคน เพิ่นพระอริยสงฆ์อันเนี้ยคูมเดียวกันอริยบุคคลกับอริยสงฆ์คูมเดียวกันจึงว่าอัตถะบัญญัติอริยะบัญญัติอัตถะคือยากใจเขาจะเลิกละจะข่มซัวกูนะสมมุติไว้ซื่อแจกก็จริงโดยสมมุติอย่างพอหู้จักเลยอย่างพอเลิกเมื่อนั้นเลยอย่างพอสู้บุรีอยู่ได้แต่ก่อนอย่างพอบุหัวจักอย่างพอไว้ฟังอย่างพอติดบุรีนี่พพอ ไปนอนนากับพอ่อพ่อกันเลยให้ไปติดไฟไปต่อไฟหรือไปจุไฟวายใช่ไหมฮูด๋ยวพ่อบุ้งหัจักภาษาทางกรุงเทพว่าแล้วเอาไปให้พ่อสูบ ไ, ไล่เฮนไล่ยุงไถนาอย่าพ่อไปปฏิบัติแล้วอย่าพ่อหูลุล่นอย่าพ่อเลิกแต่เมื่อ น, นั้นเลิกโดยบิวมีเหวีห่ยวายฝังรหลดอย่าพอ่บอบ่อพี่วาให้เอามากินตืมมาสูบตืมได้ดีเด้อดีกว่าตำซาผู้อื่น อย่าพอบอดีอย่าพอบอวอย่าพอเลืกรอดอันนี้เพราะว่าเห็นแก้งด้วยสติปัญญาด้วยญาณปัญญาเพื่นว่าวิปัสสนาเกิดขึ้นให้เห็นบัดนี้แม่ออกพอออกรวยโยมก็ได้พวกท่านมาฟังเนือ้อพระส่งองค์เจ้าก็คือกันเพื่นฟังได้ยินแล้วเพื่นว่ามันบุรีแล้วนี่ยเขาก็เลิกแใจเขาคุณได้เลิก็จึงว่าอัท ธ, ธบัญญัติยากที่จะรู้จะเข้าใจเพื่อนว่ามันบุรีแั้น ออกไปมันทัดีอีกซตมเหมือนบุรีได้น่ะอัริยะบัญญัติเป็นอริยะบุคคลได้ยากลือถึงกับบไดีอาลีแปลว่าค่าศึกเนี้อเปี่ยพนไปเป็นอัริยะบุคคลค่าศึกต่ออันใดน่ยค่าศึกต่อสิ่งเสกติดมึนเมาทุกส่วนเนี่ยเป็นค่าศึกเป็นปฏิปักษ์ซึ่งกันและกันอันนี้ข้อแรกที่สุด ต้องรู้อันนี้ก่อนเรื่องโคมโกดโคมโรคโคมหลงนั้นมันอีกซึมสั้นหนึ่งอีกซึมมันลึกจใช่ไหมอริอยะบุคคลบันนี้เมื่อปฏิบัติเลิกละโมนีแล้วเาก็หูจักแล้วจิตใจมันคิดขึ้นมาวูบนึงหูจักหูจักซื่อๆเด้หูจักซื่อๆเหมันที่มีงานเกิดขึ้นให้เห็นแจ้งรู้จริงคือเฮาเบิ้งกันนะสิเราเห็น เห็นจับอันนั้น่ใบอันนี้จะเห็นซื้อเสี่ยงเรียงนามมันได้เมืองกับผู้ไายจิมารักของเหาเนี่ยเขาเห็นหน้าผู้ไายมีอยู่คนจิมารักของเขามีปืนหรือมีอันใดก็ตามแล้วมีมีดมีผ้าจิวาเนี่มันขึ้นมาแล้วเขาก็เห็นเจ้าจิมาหยั่งหรือเธอจิมาหยั่งท่านจิมาหยังมันก็ซื้บอกว่าจิมารักของจิมาปุ้นมาจี้มันก็จิวาเนี่ยนะคบบุหัจักเรื่องสมกว่า บ้านี้เขามีปืนอยู่นี่เอาจับปืนให้เบื้องเนี่เอาไมอยากอยกตายเลยบางทีครับมันกระโบเอาได้แล้วเพราะมันยันตายอันนี้ก็คือการเรื่องโทสะโมหะโลภะีนเห็นบุเมตาในเห็นใจมันเห็นใจมันสัมผัสอยู่จังว่าสัญญาข่มรู้ขันจังว่าขันอันนี้รูปขันอันนี้รูปขันอันนี้ก็เห็นเวทนาขันก็เห็นบันเนสัญญาขันก็เห็นสังขารขันก็เห็นวิญญาณขันก็เห็นบันี้ อันนี้พนจนว่ามันเห็นแจ้งมันรู้จริงจึงว่ามีวิตกวิจารณ์มีปีติมีสุขมีเอกขาต า, พาเพิ่นว่าแปลงสันตำลาเ พ, พิ่นว่าพจนว่าปฐมมาสาต น, ส น, ตสนต้องเป็นอย่างสันผู้ติยาสานต้องเป็นอย่งางซีแต่ตียาสานต้องเป็นอย่างสั้นจตุทัสานต้องเป็นอย่างนั้นปัญจมาานต้องเป็นอย่างนั้นตำลาเพิ่นว่าอยู่พนุนแต่ความจริงเฮานี่จรรีรู้เองรู้เองแท้แท้อย่างพอง โบมีไผ่ซีมาไว้รูปโบได้เดาเจ้าว่าพูดเหลือตัวแล้วสินวาคยาแล้วโบได้เหลือเนี่ยพอเลิกเถึงมีกระน้อยที่สุดหรือเบาไปเตียนสันบัดนี้คนมาไว้เห่าสินตัวขันอันนี้ตัวรูปขันเนี่ยเป็นคนฟังตัวสัญญาขันนะบัดเนี่ยมันทิไปจําอยู่บนมันหูหันเนี่ยที่ว่าเวทนาขันเวทนากระเสอไออันมันบไอ้อันมันโบทุกขันแล้วมันเหตุอยู่เนี่ย สัญญาควาหมายรู้จําได้อันนี้พี่เด้บอกไม่ใช่จําของเอาไว้บนหันเห็นหนังสือว่าทังสั้นตกคอว่าให้ทังสั้นตัวขออันนั้นเป็นเรื่องสัญญาอันหนึ่งอันมันเป็นอย่างสั้นนี่นึกว่าสัญญาอันนี้กับสัญญาอันนั้นมาคนละสัญญากันแต่ว่าหากว่าสัญญาคือกันนั่นต้องเป็นอย่างสั้นเท่าว่าสัญญาขันคนว่ามีสัญญาเด้มันกระจาบูได้เลยมันก็ะทำซัวพูดซัวคิดซัวแต่เนื้อ สัญญาคมจำเนอันสัญญาย่งยางยพราะว่าเนี่ยมันตรงกันข้ามลดมันเป็นปฏิปักษ์ซึ่งกันและกันโลดจึงว่าเห็นแจงรูจริงจึงว่ารูปอันนี้มีศินสินว่าแต่สินซื้อนี่ยบอกว่าสินห้าสินแปดสินสิบสินสองร้อยยี่สิบเจ็ดโบได้ว่าถึงอันนั้นเพราะรูปอันนี้มีขันขันยัง้งขันห้ารูปอันนี้รูปขันเวทนาขันกับในอันนี้นี่อยู่นี้ ตัวธนาเกษตรเวยอารมณ์เนี่ยสัญญาขันน่ยสัญญากควมหมายรู้จ่มได้นันนี่สังขารขันเนี่ยสังขารขันกัอันมันปรุงมันแต่งนั่นแล้วมันเป็นวิญญาณขันเนี่ยวิญญาณขันกับเปรตวารู้นั่นเลยควมเดียวกันจะหามาแยกเป็นกันผลระยะเพราะนี่าเอิญถาดซีถาดดินถาดน้ำถาตสายถาดลมปัดซุมกันเข้าเพเนื้อเราเป็นคนพันวาพอแม่ครูบาจานไว้ฝังจันัรน แต่เมื่อมาปฏิบัติเทตมันกาแมนเตมหักบูแมงคืออย่างพูนวานั้นเมื่อมันเห็นมันรู้สิแล้วเป็นข้าศึกก่อนในแทแบบนี้เพื่อนว่าอริยะบัญญัติเป็นเองอยี่ยพอกวายอยู่เรื่อยๆเนี่ยเนี่ยพอเดูเดีย๋ยว่าย่างกลับไปกลับมาก็ได้หรือว่าเดินจมกลมก็ได้ฝากหนึ่งมันเป็นต้นหมักฐานฝากหนึ่งบูแม่ฝากดอกเลยซ้นทางนั้นเป็นต้นหมักฐานซ้นทางนี้นเป็นต้นคอย ยางกลับไปกลับมาอยู่อย่าพ่อเห็นแล้วเนาะโอ้มันเป็นอย่งซี่ได้ขอมเป็นพระสิอย่าพ่อเป็นโยมอยู่แหละนี่แย่ไปเสื้ออย่าพ่อจึงบบเสื้อตำรับตำลาครูบาอาจารย์ว่าอย่าพ่อฟังเสื้อๆอย่าพอ่อโบเสื้อทดลองบังรถอย่าพ่ออย่าพ่อเป็นคนชอบทดลองอยากหูจักจริงหรือโบจริงอย่าพ่ออยากหูจักทั้งสั้นครูบาอาจารย์พันไว้ฟัง หากเป็นคาราะญาณโยมปฏิบัติธรรมะถ้ารู้แจ้งเห็นจริงเข้าใจจริงแล้วท่นเป็นเพศคาราะอยู่บ่กเกินเจ็ดวันตายก็สมควรต้องไปบวชเอันต้องไปบวชเป็นพระถือเพศเลือดยังมีอายุอยู่ได้ดังนั้นมูแม่ออกพอออกผู้สายเนี่ยผู้หญิงคือกันจึงบ่อยากปฏิบัติธรรมะยันตายอย่าพ่อบ่ ก, กลัวตายอย่างนันย่าพอ่อรู้แล้ว เข้าใจแล้วนํามาว่าให้พี่ให้น้องมาสอนคนอยู่เป็ญญนโยมซองปีกับแปดเดือนผู้หญิงพอสอนทดลองเบื่งกาแมนและว่าอยากให้หมู่ฮู้อยากกระแมนข่มจริงก็หนักใจสอนให้ว่าสอนเมียเจ้าของมาสนั้นตั้งใจว่าจะสอนเพราะว่าเรารู้บุญคุณกันแล้วจึงว่าบุญคุณผัวเมียยุ่ด้วยกันนี่ก็มีบุญคุณมากบ่ามียนซียู่กันย่างธรรมดาเด้ ยู่้วยความเขารบแต่เขาหักหั ว, หวจกักซื้อเมื่อหู้จักแล้วเหมันรู้จกัจกจึงว่าพระนิยบุคคล น, นั้นเป็นโลกียะโลกียะคือความสุขด้วยโลกียะยู่กันด้วยความบุทุกบัด น, นี้จิตใจโบ ม, มีความทุกข์ยู่กันด้วยธรรมะยู่กันด้วยคุณธรรมเป็นวันจงว่าให้เขาหัวจกักหน้าที่ของเขายู่กันด้วยคุณธรรมจริงๆถ้าหากว่าโบอยากยู่ด้วยกันก็ ยุ่แย่งยกันอยู่ก็ได้จะยุ่ด้วยกันก็ได้บ่เป็นอย่างเพิ่งว่าอาจารย์ตำลาเพิ่งว่าผ้าโซดาบันบุคคนอย่างมีครอบครัวผัวเมียตามประเพณีโลกแต่บ่เปตกอบายภงาผูมันหนังสือว่าอย่างนั้นเนี่ยทำไมไม่ภาคบริเุทธสองเนี่ยพอ ก, ก็ได้อ่านเมึงเนี่ยได้อ่านมึงแต่นเนี่ยพออ่านหนังสือบ่ได้ก็จริงแต่เพลปองอ่านเดี๋ยวนี้นี่เอาไปเข้าใจว่ายันตายยันเป็นผัวเมียห่างกัน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 มีคนอึ้นมาตำหนิมันชี้ความเย็นอันที่เข้ามาก่อนมีคนอึ้นมายกย่องมันก็จะบ่เป็นอย่างมันชี้ความเย็นอนนเข้ามาก่อนอันนี้หลวงพ่อว้าความจริงสู้ให้ฟังจึงว่ามีสุขมีปีติมีเอกคตาเพลนวางสันอันเอกขาตาเนี่เพลนเอื้นอารมณ์เดียวมีสุขนั่นคือเป็นบุทุกมีปีติยินดีต่อการกระทําของเราจึงบ่ละบ่เลิกบ่ทิ้ง วิธีอันนี้อย่าพอทิ้งบม่ได้เพราะอน่ยพอปฏิบัติอยู่ทุกลมหายใจเน่ยพ่อนอนยอนเส้นเน่ยพ่อก็เบิ้ลเบื้องใจเน่ยพอมันเป็นอย่างไรเน่ยพ่อเบื้องเน่ยพอรู้จักจึงว่าเรื่องโลกกับเรื่องธรรมนี่มันกระปากันบ่ได้มันก็อยู่ํากันทิ้งออกจากกันบ่ได้โลกก็แปลว่าโลกคือดินฟ้าอากาศโลกคือมูสัตว์โลกคือการงานโลกคือความทุกข์เนี่ยเป็นว่าหลายอย่างบัดนี้คนมันต้องมีการปฏิบัติหน้าที่ที่ คนอื่นโลกอ่ะนี่ยทำบัดเนี่ยทำเกิดโตเฮานี่ทำทำทางจิตทำทางใจทำความบุบิบกนั่นเดี๋ยวทำธรรมะเนี่ยอาธรรมบัดเนี่ยทำแล้วมันทุกข์มันมีความเดือดร้อนสับสนวุ่นวายคนอื่นอาธรรมอ่ะธรรมะกับอาธรรมเนี่ยจึงความเดียวกันหักว่ากันคนละอย่างซื้อแต่เมื่อบูฮู้จักเนี่ยก็ต้องฝังฝนว่าไปซื้อ อันนี้แหละคันได้คันนี้เราโบต้องถามไผ่เน่ยเพราะบถามไผจักเถื่อโบเคยถามจักเถื่อแท้ๆเ่ยพอถูกบอผิดบอเมื่อโบเคยถามไปจบไปสิ้นกันสิได้สิเนี่ยเพราะโบเคยถามจักเถื่อเพราะอยี่ยพอสามารถว่าเอออันนี้แหละเพนุเอิญสัมมาทิฏฐิควอมเห็นถูกต้องนี่แล้วทีแรกก็เห็นแท้ๆได้เห็นโตเฮาแท้ๆเห็นถูกต้องแท้ๆอันเนี่ยโบได้เป็นเห็นผีโบได้เป็นเห็นเทวดา เมื่อได้ไปเห็นพระพุทธเจ้าอันนี้เอื้นวัดสมมาทิฏฐิแปลความเห็นถูกต้องคันท้าบ่เห็นทุกอันนี้เนาะบ่มีถูกต้องถูกต้องแต่ตำลาซื้ออันสมมาทิฏฐิสมมาสังกปะสมมาวาจาส ม, มากัมมันตาส ม, มัยอันนั้นมักแปดทำการงานซอบผู้สอมตำล า, วาเลว้าได้อนั้นบ่มีคือนอย่าเพราะว่าเห็นถูกต้องต้องเห็นตัวเห่ายัางไม่ออกนั่งอยู่เดี๋ยวนี้เนี่ยผู้ใดนั่งจังไง ก, ก็ต้องเห็นตัวเหา ทิพตาอยเดนีเนี่ยต้องเห็นตัวเขาจริงถูกต้องไเถะนนทําดีก็เป็นตัวเขาทําทำซ้วก็เป็นตัวเขาทำเนี่ยทุกต้องเถะจิมหาได้ต้นทางอะไรบ้าเนี่ยรู้จักอะไรบ้าเนี้ยข่มโลบข่มโกธรก็เบาลงได้ต้นทางคือได้ต้นข่มคิดนี่เนี่ยมักเป็นผู้ปฏิบัติเป็นข้อปฏิบัติหรือเป็นผู้ปฏิบัติตัวเฮานี่ปฏิบัติปฏิบัติจังซีเให้จังซีจึงเข้าใจงี่มั ก, มกต้องทำบ่อยบ่อยบ่ย มักไปว่าเบิ้งหลวพอเว่าวอย่างสั้นภาษาบ้านหลวงพอหรือภาษาหลวงพ่อมักไปว่าเบิ้งเบื้องอันใดเอาสติหรือเอาจิตเอาใจเขาว่าเบื้องตัวเฮานี้เบิ้งใจมันนึกมันคิดมันมักจึงเป็ว่าเบิ้งมักจึงเป็นข้อปฏิบัตินี่โนจึงทําให้แจ้งทําไปมันแจ้งมันเข้าใจจริงนี่โนจึงเอาพ้นไปก็ได้ทําให้แจ้งกับใดจิว่าอย่างไหนก็ได้มันเรื่องมัอนว่าวมันเว้าหลาย เมื่อรู้จักนังสีลแล้วก็รู้จักละพี่เทวดารู้จักคักๆบ่นไงตายแล้วเกิดตายแล้วไปตกนรกรู้จักขึ้นมาละหักบทันสะอาดเถื่อแต่รู้จักน้อยๆแปลว่าเขาได้ต้นทางเขาจะเดินไปหาพระพุทธเจ้าเดินไปหาพระธรรมเดินไปหาพระสงฆ์ในเทวบทมนเดินแในจินย่างไปในบทมนต์อั น, นเดินพ่อการกระทํำแล้มันจะเกิดปีติเขาจะไปติดปีติ อย่าไปติความพอใจเท่านั้นลว้วเศราอยู่หันละ่ะบ่แม่เห็ดเล่งเขา้าจึงว่าอย่าไปดีใจที่มันหูอย่าไปเสียใจที่มันบ่หูอย่าไปดีใจอย่าไปเสียใจถ้าไปดีใจเสียใจมันติดเพื่นเอิญปีติหันว่าภาษาทางมันบริเพื่อนเอิญอุปาทานหันว่าภาษาทางดีเนะี่ยเพื่อนเอิญปีติค่วมอิ่มใจเลยสิอย่าอิม่มอย่าพอแค่นั้นถ้าอิม่มข้าพอแค่นั้นเลยบ่ถึงจุดหมายปลายทาง แลกวปฏิบัติไปสิรู้จักเลิกละกิเลสตัณหาอุปาทานเนี่ย่บไม่ ม, มันเลิกเมืออกับน้ําสีน้ําสีเต็มกระป๋องหนึงคุณภาพมันลอยเปอร์เซ็นไปยอมผ้าขาวถ้าหากเป็นสีดําผ้าจะดํำมัดสีมันติดถ้าเป็นสีแดงผ้าก็จะแดงไปตามสีบัด น, นี้ถ้าเหาเห็นเหารู้เหาเข้าใจแล้ว นำยอมนำสีเนี่ยเต็มกระป๋องแต่เป็นนำยอมไม้เหมือนคุณภาพเอาผ้าเขาไปย้อมโบติตดก็น้อยที่สุดติดแล้วก็สักออกไงโหลดลาออกไงโหลดจึงว่าถ้ามีก็ต้องเขาเห็นนะ ก, กจ็จีจืด อ, ออกไปโหลดเรื่องอุปทานเรื่องมูนีมันเต็มอย่างสัจนึจงหูจาว่าผลมันเกิดขึ้นมาจยางสัจนมักจึงเป็นข้อปฏิบัติผลคือเขาได้รับนั่นแหละ <c oughs> จึงว่ามักผล มักกับคนจึงไปนํากันมักจึงต้องทําอย่าพูดอย่าคุยอย่าไปนั่งเล่นเป็นว่ากันมักคนมันจะออกไม้เหาได้รับผู้อื่นบาได้รับจากเห่าหอกมูลนเนี่ยจีวะซื้อบอ่ได้ขายบ่ได้หาผู้อื่นทําแทนมันจะว่าวเหาเองเป็นคนรับเหาเองเป็นคนทํามันเป็นอย่างนั้นสิ้นก็คือการโบต้องไปได้รับกับพระเจ้าพระสงฆ์มันมีอยู่แล้วสิญญาพาวานี่ก็ได้ บันิค่ารู้ว่ามีสินคือสินขันสมาธิขันปัญญาขันยังอย่าพอวานะขันกับตัวเฮานี่หละมันมีสินประจําตัวมันบัวเม่นเอาสินรูปขันไปเป็นสินเวทนาขันบัวเม่นี่เอาสินเวทนาขันมาเป็นสินรูปขันในบัวเม่นยังห่าว่าปานาสิตาตาเวระมณีสิขะประทัางสมาธิเนี่ยให้รูปถือเนื้อเนี่ยกับบัเม่นอ่ะอธินาให้เป็นอันเวทนาถือเนื้อกับบัเม่น คือมันเฉพาะตัวมันเฉพาะตัวเฉพาะตัวเนีย่ยไงพรวานี่บอแม่งิีจะมาถือร่วมกันดังสันจีว า, าวายเนี่ยพรวาภาษาบ้านเนี่ยพ่อบ้านเน่ยพ่อก็จะไปหาปูหาปลาหาเนื้อตั้งใจจีว่าให้มีอารมณ์เดียวอย่าไปจับอันนั้นอันนี้มันคิดมาเห็นรู้เข้าใจเนี่ยพ้นมันจีเป็นดังสัน มากคือเอาเห็นเอารู้ถ้าหากเขาบ่าเห็นบ่รู้บ่เข้าใจแล้วบ่มีมากพลจึงบ่เกิดมันจะเกิดได้อย่างได้ขอบ่เห็นบ่รู้เด้มันต้องเห็นต้องรู้ต้องเข้าใจจริงจริงจึงว่าเรื่องตกนรกเรื่องไปสวัสดิ์ในผานอนี่ยพอต้องเห็นตัเดี๋ยวนี้ต้องรู้ตั้เดี๋ยวนี้ทุกก็ต้องเอาเดี๋ยวนี้เน่ยพอสุข ก, ก็ต้องเอาเดี๋ยวนี้ลีกทุกได้เพราะเห็นทุกแล้วสุข เขาก็เห็นแล้วเขาทิไปก็ได้บ่ไปก็ได้พอเขาเห็นอยู่เขาอยู่นําเหงาดิเด้เข า, าก็เห็นเสานั่งก็เห็นนอนก็เห็นจริงว่าห่วมคิดสับสนวุ่นวายจริงบออ่เกิดพอเขาเห็นอยู่เด้หยุดได้ความคิดเนี่ยคนทุกนั่นคือว่าบ่าเห็นความคิดคิดสับสนวุ่นวายหยุดความคิดบ่ได้ความคิดทุกปูงแตง เพยียงบายพระวรกลิกเศร้าพระวกรกลิขโหมคิดแบบนั้นนี่ไปให้พล บ, บ่เป็นนีคือเฮายกระดับจิตก็ได้หรือมานจะยกเองมันจะขึ้นสูงขึ้นสูงก็อารมณ์มันั้นเมืองกับเด็กน้อยที่ ม, มาตีเฮาเนี่ยตีแขงตีขาพุ่นเขาบวเจ็บเขาผู้ใหญ่จับหัวมกดลงก็ได้โหลดที่ว่าเห็นผมคิดแบบนั้นที่ว่าไปให้พ้นพ้นได้แต่แขกโมคิดแบบนั้นมันคิดขึ้นมาเขาเห็นจับมือกดไปโหลด สมมติวานี่อันนี้พอวามันขึ้นมาจับเอาเอามือเขาจับหัวมังกรในรถมันลุกขึ้นมาต่อสู้เป็นโบได้เดี๋ยวนี้นี่เขาปฏิบัติขั้นแรกนี่ต่อสู้เป็นโบได้เมื่อลูบๆหนามียิ่งต่อสู้เป็นโบได้เมื่อลูบปรมาสแล้วต่อสู้มันได้ลม้มลุกคุกคานไปบางทีมันชนะเขาเขาชนะมันเมื่อกับ น, นักมวยขึ้นเวทีนั่แหละบัดนี้เขาเอาชนะโทสะโมหะโลภได้บัดเนี่ยกับ น, น้อยไปแล้วกําลังมันเขาก็มีกําลังแรงขึ้นบัด สู่กันเข้าไปบัด น, นี้มันลดละกิเลสตัณหาอุปทานกรรมมูได้นำยอมกับไม้เข้าไม้เข้าเจนมุดสีบิ น, นเห็นซื่อมีซื่อหักบ่มีคุณภาพักนมียู่นายอมนั่นกระแดหักหมดคุณภาพเอาไปยอมผ้าโบสิตเพราะเหาเอาลสนะมันได้อันโทสะโมหะโลภะกิเลสตัณหาอุปทานกรรมนันก็นมีอยู่ ซื้อมันว่าอย่างนั้นแต่มันกิสู้เอาบัได้หอบจังว่าหอบคนไปจากซิ่งเหล่านั้นปีติก็ลดน้อยไปลดลดน้อยไปลดเขาจีเป็นปกติและบันเนี่ยเพราะเขามีสินแล้วบันเนี่ยรูปเป็นปกติเนื้อทนาก็เป็นปกติสัญญาสังขารวิญญาณเป็นปกติอันนั้นปกติแล้วก็สมบูรณ์ขึ้นมารู้จักข่มสงบขึ้นรดบันเนี่ยข่มสงบแบบนั้นเป็นอย่านั้นขมสงบแบบนี้เป็นอย่างซี่ ความสงบอันนั้นเป็นสมถะความสงบอันนั้นเป็นวิปัสนาหูจกักโดยที่โบต้องถามไผ่โลดอันนี้เพราะเขามีสัญญาลู่เขามีศินเด้อเนีจียงว่าอาธิศินสิกขาอาธิกิตสิกขาอาธิปัญญาสิกขาตัมลาเมื่ออน่ยพอปฏิบัติเน่ยพอรู้จักสิลขันสมาธิขันปัญญาขันขันไปว่าลองรับขันไปว่าต่อสู้สู้ได้ทุกอย่างดีก็สู้ได้สู้ก็สู้ได้เพราะมันโมเป็นหยัง ขัดบริสุทธิ์แล้ววางสัญญาเพราะวา่าเพราะร่างกายที่ขัด บ, บริสุทธิ์แล้วขันว่าร่างกายบบริสุทธิ์แล้วกินเข้าเป็นบะแต่อุจลาระปสาละเป็ น, อป เ, ปนเอามันกลไปเป็นเรื่องมนั่นมัน เ, มนเรื่องหนึง่งคําว่าบริสุทธิ์นี่หมายถึงบมสุกโปกโมทำซัวบมเฮ็ดซัววางสันติสุนี้เนี้ยพอเข้าใจจริงว่าหู้จักปกติปกติแล้วก็อันใดมาแตะต้องของหูจักคือเขานั่งอยู่ดี๋ยวนี้นี่นะ ผู้ใดมาต่อแข้งต่อขาต่อสายของจิงหูจักทันทีอันนั้นมาจิปรากฏขึ้นมาหัวของหูจักทันทีที่ขาเห็ุแล้วเด้บวให้มันมาสู้หัวใจครับมันเป็นอย่างสัน้นอันนี้ผลของมันที่เป็นอย่างสัน้นเรื่องปฏิบัติแบบนี้ถ้าหากบ่ามักแบบนี้เราบวาต้องมาปฏิบัติแบบนี้ถ้าผู้ใดมักแบบนี้เราปฏิบัติ บ, บนี้ต้องเป็นไปแบบนี้อันนี้บโบ๊ะคืออันอื่นอย่าพอบอกไว้ซื่อๆจึงว่าพระพุทธเจ้ากับคนธรรมดาเนี่คือกัน งานใดเป็นธรรมดามันอยู่ซื่อๆนี่อันนั้นแหละพระพุทธเจ้าน่อยๆเกิดขึ้นแล้วแต่เหาโบเห็นพระพุทธเจ้าเหาไปซอกเอาบุญไปซอกเอาอุจนเอามรคนิพานไปอเอาบน อ, อื่นอันที่มันมีแล้วเห่าโบเห่าจิ้มโบได้ใส่เหมือนไมีพวกมาว่าให้ฟังสิเดี๋ยวเหาเอาปัจจุบันนี้ลดเหาก็ได้ใส่งไงลดเอาไปใส้กับการกับงานโลดเป็นอย่างสั้นดังนั้นจีว่ามรคนจะเป็นตามลําดับตามลําดับก็ขึ้นไป จนถึงที่สุดที่สุดมันนั้นบ่นต้องถามไผหากว่ามู่ไม่ออกก็ดีพอออกก็ดีหรือว่าจี ญ, ญาติโยมก็ดีพระสรงองค์เจ้าหอนี้ก็ดีพุกคนมันคาดออกจากกันแล้วมันจืดมันไม่มีคมซึบต้อกันไดบ้านเนี่ยพอว่าบ้านเนีพอเอาต้มนอทั้งนี้ที่เคยต้มบุตรต้มบุญหัวจกักต้มนอไม่นี่นอไม้ที่มันดิบมันขมพอเดีอามาต้มออกแล้ว น้ำขมมันออกมันจืดมั้แล้วกินนอไมเลยบวขมน้ำมันก็เอาทิ้งมันเป็นมันจะยู่กับน้ํากับทั้งจืดแฉะอยู่น้าขมมันกับบวชขมนอไมอันนี้ก็คือการจีว่าเหาเห็นแล้วกิเลสเหล่านั้นน่ะมันจะกลับคืนมาสร้างให้เหาอีกซึ่บอสันมันจืดออกจากกันมันเป็นคนละส่วนกันน้ํากับตะกอนจะเป็นคนละอันกันตะกอนกับน้าเป็นคนละแต่จะยู่งกันก็สร้างจีว่าเห่านี่ต้องหาวิธีเอาออก เอาตะกอนออกจากนา้ำเอาน้ำออกจากตะกอนจะเอาออกบ่ได้ขาบ่มีวิทยาศาสตร์มันหักเป็นเองควมเป็นเองน้ำนมมีอยู่แล้วบ่หยกเวนทุกคนเป็นอย่างสัน้นถ้ า, าบ่เป็นอยางสัน้นบ่มีอนแบบนี้แบบนี้จิว๋วแบบสื่อๆเหตุซื่อๆเป็นซื่อๆรู้ซื่อๆเห็นซื่อๆจิว๋วเป็นอัตถบัญญัติยากที่จะรู้ยากที่จะเข้าใจอาลิยะบัญญัติ มันตรงกันข้ามกับของซัวทองดีกับของซัวตรงกันข้ามจึงว่าอยู่ด้วยกันบ่ได้แต่ว่ายู่ด้วยกันก็อยู่ได้แต่บรรดาเนียอยู่ด้วยกันคล้ายๆคือหอาทองคํากับตะกั่วหรือขี้ดินหรือจีเม้นอิดหินดินทรายกับดิงทราเอาไปห่อไว้นำกาอยื่นำกันได้แต่หากไม่ได้อยืดนำกันมันอยู่คนละส่วนอย่างเพชรขเจ้าไปขุดเพชรเนี่ยยืดนําขี้ดินนั่นแหละ แต่เมื่ออาออกจากกันแล้วมันออกจากกันได้เอาไปวางน้ำกันมาโยนน้ำกันได้แต่มันเป็นเพชร <c ười> อยู่แล้วจังหว่าคุณดีคมงามเหานั้นมันมีอยู่แล้วเมืองกับเพชรจมอยู่ในดินนั่นแหละอยู่กับแร่กับส ม, มนั่นแหละเมื่อเหาออกมาเจอระไหนอะไรมันเป็นเพชรขายได้ราคากะแพงคนเ้านีิจิวังให้รู้จักคนและคุณค่าของคนถ้าหากรู้จักคนรู้จักคุณค่าของคนรู้จักหน้าที่ของคนมันกัเป็นแร่อมเพชรอยู่กันอย่น้แล้ว เพชก็ออกจากแร่บได้เม The э like ื <te pe ed> well hmm? ่อเอาออกจากตอมจากโคนแล้วก็เป็นเพชรเอาไปขายได้โลดแต่โบร์เบจิขายผเพชรนั่นได้อันนี้ยังออกจากสิ่งสัวลายนั่นได้โหลดได้จริงๆรับรองว่าโบผาดถ้าหากเพชรแบบนี้หรอกเทห์แบบอื่นนั่นไงอย่าพอบุคคจักนี่ยพอรู้ัครว่าอย่าพอว่าอย่างที่จะรู้เตห์แบบอย่าพอว่าให้บอกแบบอื่นบุรู้หรอกอย่าพอบุคค้จักนะอย่าพอจริงว่าตัดสินให้ไปโบได้ มีคนว่าเหตุแบบเดกกะลูกะเมียนพ่เขาเจ้าเห็ุแบบเด็กกะลูขาเจ้าเห็ุแบบนั้นรู้เขาเจ้าก็เหตุแบบนั้นเขาเจ้าก็ต้องสอนแบบนั้นอย่าพ่อโบสอนแบบอย่างพ่อบรู้แบบอย่าพ่อรู้อย่างพ่อต้องสอนแบบอย่างพ่อรู้ไทยซีเอาเรื่องใดมาให้สอนอย่าพ่อกับบอกออกเพราะอย่าพ่อบรู้เรื่องนี้อย่าพ่อเข้าใจเรื่องนี้ที้เว้าแต่เรื่องนี้การพูดการเว้ากันเว้าเจนเท่านี้ค่ว่าไปทถเจนตากเปียกหมดล่ะเว่ามายังสนะอยู่ตัดแต่เส็นพอเส็นเม่อธิบายเทศกัโยนสบ่เห็นมันเลิกละใด ญาพอนี่เคยเทศเทศคนมากับพานั้นแล้วพูกเทศเท้ตัวฟังกับพานั้นมันนักเลิกบอดานี่เ้วาเป็นมันนักเลิกบอดานี่บัณฑมาเฮตอันนี้โอ้มันคนละเรื่องกันเลิกได้โลดเลิกไดักรยาพระกรมาว่าเรื่องญาพอนี้ญาพอบาววา่าเรื่องผู้อื่นเรื่องพระโสดามากักพระโสดาผลพระสกกิทาคาบีมกักได้งานเท่านั้นอย่างอื้อญาพอบาวา่ะญาพาว่าบาเป็นว่าแล้วมันมุ่ออกจากทุกได้นี้อันนั้น ได้กระแสพระนิพพานไปยังนาซิเงย์พอบัว่ได้กระแสพระนิพพานเงยพอกว่าแต่ห่าเยพอบเลวคือได้ต้นทางความคิดนี่แหละกระแสพระนิพพานนิพพานคือบรรยนําเฮานี้จึงมาได้กระแสคันตำลาเพิ่นเพิ่นวาเหนียวนึงแต่ความเดียวกันนนกการตีปัญหาหรือการแปลหนังสือนั่นถ้าตีปัญหาไปผิดแต่ไปผิดแลปฏิบัติกับผิดโลดมาเดียวคนอินเดียพูดกับคนไทยพูดมันบดเสียงความเดียวกันแต่ความหมายอันเดียวกัน ให้ว่าคนทุกชาติทุกภาษาทุกเพศทุกวัยทุกระดิทุกนิกายมีคือกันมืดคือศาสนาใดก็มีนุ่งผ้าสีใดก็มีจังหวะธรรมะแท้คือสิ่งเดียวกันปฏิบัติซึ่งเดียวกันแต่ว่าระเบียบไปีไหนคนละอันกันอเป็นอย่างนั้นอย่างที่ญาติโยมเนี่ยอยพอได้เหตุนํามู่มาแล้วเนี่ยญาติโยมผู้จีให้เหตุนาธรรมะ ถ้าขายต้องถือสินห้าถือสินแปบ่ได้แเพิ่งกะว่าันี้ยแต่ความจริงถือสินห้าก็คือกัรถือสินแปกก็คือกันถือสินสองรอยยี่สิบเจ็ดก็คือกานถือสินสามร้อยก็คือกันเพราะคนท่านนด้คือกานท่านแหละจริงว่านุงผ้าสิไเ่กลเป็นขนถือสินเนี่ยกลายเป็นขนโมเสาวิบูฮูเด้ถือสินห้าบูฮูถือสินแปดยัางวิบูฮูกับโบแมนเมื่อถือสินวิบูฮูกับโบแมนเพราะมันมี <frequently> สมบูรณ์แล้ว รวมสมบูรณ์แล้วเขาไปซอกหาของจริงเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาบาสติดสมมุตรจริจ้ะว่าอันสมมุติอันมันมีจริงสมมุติมาว่าจะเป็นสมมุติบัญญัติโลกมันต้องอาศัยสมมุติตัวบทกฎหมายเป็นสมมุติแต่ทิ้งสมมุติบ่ได้เมื่อทิ้งสมมุติแล้วเละลดบปเดียวเละรดบปเดี๋ยวกฎหมายบ้านเมืองโบมีเนี่ยโเขาลบกฎหมายเนี่มีกฎหมายอยู่เส ม, มอเดี๋ยวนี้คนทําผิดเอาไปติดคุกติดตารางเท่านั้นปีเท่านี้มันยังผ้าฝืนไปเห็ดอยู่เด้ สมมติป่านั้นล่ะบังคับป่านนั้นมันยังเห็นอันนี้ที่ไปว่าไหมอย่างคนบ่มีคุณธรรมมันก็ผ้าฝืนวิน่นไอเสณห์มันก็บ่เหตุตามระเบียบวิน่นไอเสณะคนมีธรรมะแล้วบาเบากระไดถ้าหากคนมีธรรมะจริงๆมีคนทําจริงๆต้องเคารพระเบียบต้องเคารพวิน่นัยต้องเคารพตัวเองเป็นอย่างสั้นอันนี้คนมันบ่เป็นอย่างสันนนนนนงส้นเน่ที่อย่าพอเบิ่งอยู่ผู้ดีก็มีหลายผู้่วยก็มีขึ้นัน แต่ความจริงแล้วคนดีมีหลายกว่าคนซัวถ้าคนซัวเนี่ยมีเท่ากับคนดีแล้วโอ้ยอยู่บบได้เที่สมมุติกันซื่อเนี่ยบ้านเหาเนี่ยคนปุ้นคนกี้คนลักขโมยของกันนั่นด้ากันนั่นกินเหล้าเมาสุราจํานวนร้อยคนเอาคิดจํานวนร้อยคนบุตถึงสิบคนดอกอันคนขี้ลักมักจกคนปุ้นคนกี้คนกินเหล้าเมาสุราเล่นการพ น, นันเฮตามถนนบุตถึงสิบคน ถ้าหากคนนั้นมีขึ้นถึงยี่สิบคนเรายากกว่านี้อีกสื่นถ้าหากเขาพยายามจัดการกับสิ่งเหล่านั้นออกให้หมดบ้านเมืองก็ราบลืนกระบวนอันธาพาลเกิดขึ้นสนนจึงว่ากฎหมายเขาต้องมีไว้เพื่อปราบคนมูนัน้นคนมูนั้นมาลูธธรรมะแล้วสิโบต้องมีคุกโบต้องมีตารางโบต้องมีตำรวจทหารก็ได้เขาเห็นยุดิสู้มือเดียวนี้ตำรวจเพื่อยัง้งเพื่อปราบผู้ล้ายคนคิ้รักมักจกเนี่ยทาหารมีเพื่อยัง้ง เพื่อปราบศัตรูนี่นั่นนั่นมันจะมีศัตรูเขาต้องมีขึ้นไวอันนี้วิญญาณก็คือกันถ้าหากมีธรรมะทุกเพศทุกวัยทุกประเทศมีธรรมะคือใจอันเดียวกันเนี่ยยจะไปตั้งผู้ได้ผู้ไดก็คือกันทุกคนเนะมันบม่เป็นทางสั้นได้ประโยชน์เอาสมมติบัญญัติมาว่าจริงให้รู้จักสมมุติจริงๆสมมุติบัญญัตินะั่นจะมากหลายปรมัจาเป็นคนจริงๆริงโดยสมมุติเนี่ยอั น, น มันจะปรมัดบัญญัติบัญญัติขึ้นโดยสมมุติอันนึงบัญญัติโดยจริงอันนึงที่ว่าเป็นบัญญัติขึ้นมาอัฐะบัญญัติญากที่จะดูไปทางสุติญากที่จะรู้ทอัลิยะบัญญัติผู้ที่เป็นอริยะบุคคลจึงจะรู้ได้เข้าใจได้เลิกละข่มขู่เลยโบ้ผ้าฝืนไปไเลยเถอะเพื่อเอื้นอัลิยะบุคคลอาลิเพื่อจว่าแปลว่าค่าศึกญาเพื่อจว่าแปลว่าคนไปแล้วจากค่าศึกเหล่านั้นแล้วเป็นวายอย่างสั้นมันสมมุติว่าอันนี้ก็ได้ แล้วผู้ใดเป็นกะจีมีผู้หันหละอยู่ในผู้หัน่ะวผู้ใดเป็นกะจีอยู่ในพวนาอันคนวเวาวในว้าซื้อยังให้หู้จักหู้จักจริงๆเรื่องนี้รับรองบอว่าไม่ผ่าตอนนี้ที่อย่างพเว้าเดียวนี้นี่นะถ้าหากอย่างบทันเป็นเดียวนี้นะี่นะเมื่อหัวจิตายจวนจะมุดลมหายใจตรงแน่นอนที่สุดเรินบ่ได้อันนึกห้าปีหน้าพี่อย่างจีมีเงินกับพอมีเงินเดียวนี้นี่พายจีเอาอันใด แต่อาหารปีหน้าผู้อยากกินกับฮอกินเดียวนี้ไี่จเอาอันใดถ้าคนมีปัญญาก็ต้องเอามือนี้เงินคันว่าไปดูลึกดูยามดูโสกโอ้เมื่ออื่นจีทึกโรตาลีเดีอกับทึกมือนี้มันมือใดไม่จีดีถือโรตาลีเมื่ออื่นผู้อยากจีทึกว่าฉันถือโรตาลีบางทีเขาตายก่อนบมทันถือตรตาลีก็ได้ถึกเดียวนี้นี่ถือโรตารี่เดียวนี่เอาสันมีเงินเดียวนี้เนี่ยสันอาหารปรุงมาแล้วเมื่ออื่นอย่างกินเอาสันตายแล้วจะได้กินบ่กกินเดียวนี้นี่มันดีสันเนี่ยพอว่าจริงวะ เอานิพพานไปใส้กับการกับงานทุกคนประสบเตะถ้าหากว่ประสบเดียวนี้ก็ชวนจำมดลมหายใจต้องแน่นอนที่สุดเรื่องนี้เน่ยพ่อคิดว่าเป็นทางสันเทะเพราะต้องการทางสันเตะเน่ยพ่อได้ว่ามาหลายปีแล้วว่าสอนพี่สอนน้องสอนลูกสอนหลานสอนเพื่อนสอนลูกสอนเมียเนี่ยพ่อก็สอนสอนแม่สอนพ่อเนี่ยพ่อก็สอนจะบ่นม่พ่อเน่ยพ่อบ่นม่แม่เน่ยพ่อรุนพ่อลุนแม่ว่าสัน ลุนไอ้ลุนที่รุ่นน้องในสอนมาหลายคนแล้วขเจ้ากับผู้ใดหู้ขกขจกว่าคือกันนั้นเอาแหละที่ได้พูดธรรมะให้ฟังวันนี้ก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาแล้วท้ายที่สุดนี้อาตมาพ่อหนุ่ยพระสงฆ์ได้ญาติโยมมานั่งฟังธรรมะอยู่ใสถานที่นี้อาตมาขออ้างอิงเอาคุณของพระพุทธเจ้าและพระธรรมคําสั้งสอนของอ ง, องค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าและคุณของพระอาจารตาสาวกพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าอยามาเตือนจิตสกิจใจของพวกเรา ให้พวกเราได้มีสันทัพห่วงพอใจหนักแน่ต่อการกระทําไพรสิวาสัางใดกระทำสร้างเรื่องของคนอื่นว่เป็นเรื่องของเราให้เราเสื่อมั่นในการกระทําของเราเพราะพระพุทธเจ้าเพิรนตัดจลูกเพราะการทําทางจิตทางใจคนอื่นจีว่าทําอันใดก็ได้ดอกอะไรสักกาเรื่องของเพิรนเราต้องทําเรื่องนี้ดังนั้นขอให้ทุกคนทุกคนจงประสบพบเห็นเอาชีวิตอันบริสุทธิ์สะอาดสว่างสงบ วองไวมีสติปัญญาเข้มแข็งรู้แจ้งเห็นจริงในชีวิตนี้หรืออันไกลๆ ไ, ได้จงทุกทุกคนเธอนีมัคเาราเมื่อวานนี้นะฮะหลังจากที่หลวงพ่อได้เทศบอกว่าให้ทำจังหวะให้เร็วขึ้นนะฮะก็หลังจากนั้นก็ไปทำประมาณสักบ่ายสองโมงกว่าก็ไปนั่งทำ ทำอยู่สักประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะฮะก็มีน้ำตาเนี่ยไหลออกมานะฮะก็อยู่สักครู่หนึ่งก็นึกถึงคำาของพ่อว่าปิติไม่ให้เอาละาเสียพอเนึกอย่างนี้ก็น้ำตาก็หยุดก็ไม่ไหลนะฮะก็ทำต่อไปอีกตอนนี้หลังจากทำก็รู้สึกมันก็หายเจ็บหายไหลก็ทำได้อีกนานนะก็สบายขึ้นจนกระทั่ง จนกระทั่งเขากวาดลานบะล้านนะฮะก็เลยเลิกแล้วก็มาช่วยเขากวาดทำอย่างนี้ถูกกระเปล่ามันเป็นปีติอันนั้นแหละคนว่า<ไ>คนทั่วไปทีว่าปีติหัวมอีมใจ<ไ>ผมพอจะจะไปติดถ้าไปติดอันนี้ก็เหมือนท่านที่ว่าน้ํากับโมมันยืนํากันเขายังแยกกันโบได้เพราะเรายังรู้จักมันมาเขาบม่รู้จักอันนี้เป็นเอื้นปีติคันว่าภาษาทางดีเป็นเอื้นปีติ ขันภาษาทางตัวคเอิญอุปทานแต่ควมเดียวกันนะปีติอุธรรมมันยึดอยู่มันมันเห็นเขาบูรุษอยากว่ามันเป็นบูรุษอยากอันนี้เขาเป็นหลักษณะเาพุ่ธเอินว่าตามตังตามหนงังสือเอินว่าพระโสดาบันคนเหือนกั น, น, นยังมีครอบครัวผัวมีตามประเพณีโลกแต่บปุปผีจบนโลกยังมียู่เรื่องเนาะนนี่ยังมีอยู่แต่ว่าจิ่โกดันเหตเ บ, บาแล้วทางโกดจีมีทางนี้ยู่เอิญว่าย่าไปติด พี่เกิดขึ้นต้องสลับทิ้งเลยโบต้องเอาเอาซื้อๆพี่นะอันนั้นมันก็ดียอดียั่วหักบทุกเต๋อบนหักพุกก็เดี๋ยวมืดสีขาวกับมืดสีดำมันต่างกันมือสีดำบุกจากทางไปมือสีขาวมนยังพอใจอยู่อันเป็นกันจะมันยังเป็นคืนปีที้ยังยาวเอาซื้อๆนี่เอาอันมันอยู่เดี๋ยวนี้นี่นะเข็ดไปเข็ดไปมาอันนั้นมันจีบหมดทั้งสองทางนี่นะจิ๋วเป็น เดินทางสายการเพื่อเอื้นสมาธิิอยู่ตรงกลางดีใจก็บอเอาเสียใจก็บอเอาปีติก็บอเอาโกรธก็บอเอายู่ซื่อๆเนี่ยเห็นมันมาโอ้มันเป็นปีติเลรศเดี๋ยมมาข้า้งนี้สมบูรณ์หน่อยโอ้มันลงโทสะมหะเกิดมันเหาอยู่ตรงกลางเพื่อเอื้นนะเดินตรงกลางอยู่ตรงกลางเป็นสมาธิิเดินทางสายการคำว่าเดินทางสายการนี่แบยากคำพูดอยู่ตรงกลางนี่แหละเพื่อเอื้นเดินทาง ให้ห้องหัวจักเหตุทุกอย่างนี่แหละจริงวะเห็นทุกอย่างบ่ได้ตีว่าเห็นอ น, นั่งคัดอันนี้ยังปรทํานสมบูกณ์คัด<ม>เหตุทุกอย่างแล้วจบบุญเป็นแต่เรื่องสบายเสบายค่ะเหตุไปเรื่อยๆไปเลย<อ>มันเป็นอ๋ อ, อละนีเป็ น, นแล้วไปจะไปติดมั้ อ, อย่าไปยึดไปถือบางคนเนี่ยพอเห็นเดินจมกรมยมก็เกิดขมรู้มันไปจดบันทึกโอ้ยประธานน่ะบันทึกอุปทานยึดแล้ว ย่ามันลงมันลืมอารมณ์อุปทานแล้วนั้นนะอุปทานจะไปยากที่สุดแต่ได้ยุคเราบอกกับเจ้าได้ยุได้ก็ได้แบบนั้นบ่มันได้ข่มหุ่นสุขได้ข่มยึดข่มถือผ่มยึดข่มถือกับคนมบุจะึุมถือเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรเนี่อันนี้ก็ยึดพอที่เขาปลุกเตมันหลุดออกโลดได้อันนี้บุจะบุถืออันนี้จะถือนี่บ่หลงมันติดเพรานึกหักขุมหัวนั้นนึกหักกุลวัวนั้มันติดโยนเตมันจะไปหมดวันนี้พอดีมาปั๊บ ปั๊บบทีมันบวยึดบถือต่อไปเลยงานมันเมาเป็นอย่างนั้นที่เราให้ฟังเข้าใจียังไงแต่ก่อนก่อนจะได้มันตัวมันบุบพุ่งก่อนมันรูปขวางรูปแล้วก็ตื่นน้ําก็ร้องไห้มาอยากของจิตใจใจมันเป็นนั่รูปอันนี้มันบุษะเป็ีนะใจคนเป็นเองใจเองเทียวอันนี้เพราะเอื้อัตถาบัญญัติอริยบัญญัติอัตถาเทียยากที่จะเห็นจิตใจมันปรากฏขึ้นมา เมื่ออริยบัญญัติโดนเหตุแลมันามาเป็นอุปสรรคต่อกัลนแล้วันเป็นอริยบัญญัติเพิ่อเพิ่มมาเาทางท่านตำราเพิ่มสมบูรณ์อย่างท่านอย่างให้เข้าใจมีปัญหาในกถามว่าการเดินอยบไหนจะไวแบบไห่ที่ที่ว่าปฏิบัติธรรมเคลื่อนไหวนี่ะเพื่อที่ว่าเป็นอุบายค่ ะ, ะ, ะ, ะเนี่ฮะเวลาเดินที่ที่ประจากษ์เองนะคะ เวลาเดินจงกรมแล้วจะมีความรู้สึกว่าสายตายังรับรู้นะแล้วที่ว่าออุบายนี่เพื่อเพื่อที่จะให้จุดหยุดนี่หมายถึงจุดอะไรคะแล้วว่าคือตาเรายังรับรู้แต่ขณะเดียวกันเราก็เดินอยู่คือคือเอจุดประสงค์คือว่าต้องการให้รับรู้ว่าเราเดินหรือว่าให้เรารับรู้ว่าสิ่งที่มากระทบนี่ ด้วยสายตาที่เห็นด้วยรู้วให้หยุดสายตาที่เห็นเพี่งแตให้รับรู้ว่าเรากำลังเดินนี่แหละมันโเข้าใจมังคือใจใจะไปหยุดโฟนสากโมหะโลภะคุณคให้มันรับรู้แต่ไม่ให้มันเกิดขึ้นตาเนี่เห็นจิโก้ขึ้นมันหยุดได้อย่ากจะมาโกรธคุณตาเนี่ยห้ามโมได้มันต้องเห็นหูเนี่ยห้ามโมได้มันต้องฟังได้ อั to to also, to to ่เียดองโคมันต้องหยุดได้เนี่เพราะว่าเมื่อกี้เดียวน้ำปะกพอดมายู่งน้ำกันแต่แย่งกันออกได้เดีมันยังยู่งน้ำกันเขาจับุมีมยวิทยาศาสตร์เดียวเขาเอาเขาออกจากกันเปลี่ยนได้เขาทางวิทยาศาสตร์เขาจิแยกออกจากกันได้แยกจากกันอย่างเขาพื้นหลักของมันเอาไะโยงขั้นลงปี่แล้วลงสี่มื่ีบทเอาแกะเอาทากับตัวนึงเข้าทีนึงทีสองมื่อกีไปบนาะอันเขาเฮ็ดโบได้หรือเ่าเล็กใจเมา่อีเป็นเอง ผู аться, работать, ้ใหญ่บุญมีคเจะวมเป็นเองมันมีอยู่แล้วแต่ของหักูุ้งจับซื้อแยกมันไม่อด้เอาเน้ว่าจีนแยกกันในอันเนี้ยเขาอย่างคเข้าใจจริงเขาบอกเข้าใจจึงได้เป็ีนอย่าง่เมื่อเขาเข้าใจแล้วบาต้องทำให้ทั้งหมดิตั้งใจทำซื้อๆนี่นะทามันีเป็นอย่างกระตั้งตั้งซื้อๆนี่นะหูกับหูซื้อๆนี่นะเดี๋ยวนี้ยูซื้อๆเลยบอกเดี๋ยวเนี้เนี่ยจิตใจยูซื้อๆเลยบอกนี่อันกรมยูซื้อๆมันมีอยู่แล้วเขาหักบุ้จเกซจับซ อันใดมากระทบเขาจีเหตุรถมันี้ต่อไปจะมาจีแยกเอาผู้เดียวมันบนแม่เขาจีไปแยกด้วยมือบนแม่จีไปหาเอาเครื่องยนต์คนไกลมาคบอันนั้ออนนี่บนแม่มันเป็นแล้วจีว่าเ <c oughs> ขาจีตายได้มาเขาจีเป็นตั้งที่อยู่นี่น่ะจีวาอาหารออกปงไว้ปีน้นนี่ยจีกินบอกมืออื่นอิ่ทึกลอตเตอรี่บอกทึกมือนี่ยมันดีกว่ามืออื่นทึกลอตเตอรี่จินเดียวนี้เนี่ยมันก็ดีกว่ามืออยังกินกว่ากินอาหารจาีมาจะไปรอให้ยัง มันเป็นรอเพื่อนอื่นเรือของื่นแล้วรอไปเนี่ยพอมได้วันเอย่างพอจดซื้ออุตตรีมณีจื้ออื่นเนี่ยโอ้ยบอก อ, อกแลอ้วอย่างบอปีหน้าคณยังจิซืกแค่บอกเอา อ, อีซึ้อตามังไข่สมมติหนูนะจิทึกออุตตรีปีหน้าอย่างจดซื้อแล้วก็ว่าเดือนหน้ายัางจิทึกแล้วก็อีกอาทิตย์หน้าอย่างจิทึก ก, ก, กับทึกอาทิตย์นี้กับทึกปัจจุบันนี้อันไหนดี การปิบัติกีบค่ะหันท่นต้องการปฏบัติก็ต้องรู้จักหนังสืเนี่ยคนก็ต้องรอให้ก็ต้องเห็นใจเขานี่โอ้มันเป็นอย่างที่ก็ต้องรู้จักด้วยตัวมัอาหารแตงมาเนี่ยปีหน้าอย่างที่กินมันชีบูดมันจีบ เ, เน่าถ่าเดี๋ยวบุู้้จักเลยแบบนี้เล้วเดือนหน้าอย่างที่กินแบบนี้มันจีบบูดจีบเน่าหรือจีบเห็นจีบรู้จักมันบอบัด น, นี้เขาแตงมากินรถเดียดีเนี่ยมันกับท่รสเลยเลือดตายไปได้ที่อัลตะวันนี่ผ่านยาคิดไปวองเทออย่างกว่า นื้ตายแล้วมันไผจีไปเห็นที่มาสอนนอย่างสอนเรื่องตายแล้ว เ, เนี่ยเอาสอนกับเตมุรุปินเป็นเนี่ยให้เปนคนพุกไปได้เดี๋ยวนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าสอนที่เรื่องพุกเท่า น, นั้นเองเจวันอยากว่าบุกคลงูเนี่ยว่าไปตามอุดมการอยาอ่างพ่อไผซิว่าท่นานอยะกสร้างอย่างพระบูเสือเพราะอยากขอต้องขารอย่ายงพี่เพราะทุกคนก็ต้องขารอย่ายงพี่แต่หากโบอยากราอย่างพี่เพราะว่เอาสมมติให้ฟังนะอามือแบเรที่ไปจบไปจบมันให้ว่า บานังไหนเขาไปจกหนิบ้ายังไพอมึงไปซุกใส่กองเห็ว่ากองแบงกองกระดาษเนอโจงซีทอดหมายิบโบติดเอกดาษอะไทองคำกับบติดเอกิจกมามาจังไหนล่วงติดล่วงติดอะไรหรือพอบู้จักจกเข้าไปที่กรรมที่ปิดบล้วเร็นบอคันแช้งซทอดหมายบติดอันนี้มันจกเข้ามององที่กมากติดมาร์ุนี่เชว่าคนรู้จักคนไกลนะโยบายเท่านั้นสื่อ คนทิวหาเนี่ยบนนี้ก็จริงมันก่อนั่งซีก็ได้นะจร่งว่าตายเลยจึงออกสวรรค์นี้อ้าวนี่มาจาไหนจะมือมันก่อนเอาอยู่จริงว่าไม่เขาว่าความจริงให้เขาฟังบอกเลว่าหูทิศตาทิศจึงสามารถที่จะมองเห็นแมธิวธรรมะบนใจอยากออกกรู้จักอยากขอาเอาตาทิศหูทิศอยางผู้อื่นองอยากขอรู้จักบสิโอคําพูดมันมือมันก่อนที่มันงอที่พวดเหมือนมาไม่บอกมาไมอน้องทิศกลันแน่ครับ เนี่ยไมเป็นหลันีลเจ้าวางพูดจากคงจกองมังซิซึนตี้มือนบุตติดออามาแล้วเบิงไหมอยาพอสังเกตอยู่หลายอย่างมันหลายยางร้อยแปดพันประการโอ้จริงแค่นี้น้อยเดี๋ยอันบุจริงมันมีมากเย่าจริงมีน้อยเจาจริงนยจว่าอ า, าหารเนี่ยมีตั้งแต่ปงอยูบอ่บนตัเลือดเนื้อแท้ๆในบามีมีเต็มดุแต่ร้างเป็นหลันเจ้าคนเามาธรรมะอยู่บุคือกันโทหนึ่งเมาส ด, สด คนบวชชอบตัๆบวๆน่ว่าชอบแท้มั น, บบ ว, น, มนว่มีรสได้คนนี้ปรุงได้เอาลูกแด้ได้เอาพักอันนั้นเนี่อ้ฟังดีเหมนกันนพอใจแดงมันทุกปุ่มไปเลยเขาไปยกกระดูกบ้านอย่างของกระดูกยกตาไปไหนนะเขาไปยกออกกระดูกเาขยกเากกขยกเพื่อนยังยงกซื่อหรือยกเพื่อนยังของยงกเพื่อของยง ก, ออกปาลาไปบ้านอันนี้ก็ให้เขาจาบยกขึ้นมาเขาวางตัวปลาถ้าบวางตัวปลาเขาไม่ยก เขาแก้มา yeah. uh huh. อันนี้อ mm ันหนูเรียนปริยามาเนี่ยมันเป็นเรื่องจักรกระดาษนะหรืออันตัญญาหลวงพอนี่โบได้แมบอย่างต่าอันนั้นกัแม่คือกันแต่ว่าคันบ่๊มกระดาษบุบินนาำมึกมันก็โมเป็นตัวหนังสือขึ้นมามันเป็นตัวหนังสืออันนนี้มันมีตัวโตเขาอยู่นี่แล้วนะจะเอาของจริงนี่นะเฮ็ดให้รู้จักของจริงนี่นะจริงว่ะแค่เรารู้รู้จักมันเท่านั้นเองเดียวนี้ที่ว่าเฮ็ดอาหารปีหน้าคนยังกินมันบุบเหมือนเนา ทังรถที่รถแต่รีบไปดูลึกดูางามปีน้าที่มีโชคเน้อเนี้ยเอา้าปีนา้าเป็นอ่างดีโชคบางทีบนถนนได้โชคตายกับมีเนี้ยคอไปดูลึกดูงามให้ยังที่ไปที่ไดนเดี๋ยวนี้สมมติที่ออกไปถนนกูนะไปดึกดึกนะรถบนถนีที่ไปได้เพมันไปเพไหนไปเพราะนีกันาดมารถวิ่ออกมาไปอยังบนได้ใส่นน บ, บ, นาาบนได้งามไปใหมันทึกกับเวลารถมารถ ม, มาเดียวับไปนั่งถ่ารถอย่างตอนรถมาตุ๊บไปรถได้สบาย ว่าต้องดูเลือกดูยามี้อย่าไปลงคูนะ ข, ข้าวของอย่ไปตกปูหันกรแล้วกันอย่าไปตกปูหั่นก็แล้วกันเ่างมันดีๆแล้วมีใครไปติดกรบโบตกปูลงของมียกษ์กระไรเฉยเยอันนี้ก็คือครับเพินบอกแล้วให้รูกตัวตื้นตัวรู้ตัใหตืนใจมันนึกมันที่ได้อันนี้ก็น้อยๆแต่คนสอบมันจะไปดังคนสอบคนสอบกลางหลักการมันงามเนี่ยงามกับสวยกับสะอาดเนมันเรียบร้อยดีนะ อนีเสี่ยมันบรเรี่ยมลอยอะเสี่ยข้าเจ้าบรซอกอันนี้แหละเนี่สิ่งที่ดีๆคนบรตอปขากรดูกให้กินกระดูกลดกระดูอาหารดีๆเนี่ยเครื่องสดๆเด็ดบอกข้าตอบก้างเอาอย่างเดียกกินเลือเนี่ยอันนี้กัไว้ความดงดูดบ้านอย่างออมีหมามีแมวมันอย่างออกินข้าวเนี่ยก้างแล้วเอาเลือดให้หมาให้แมวกิน่อบ้านย่าคนกินเต็มเนือัดนี้ปรุงอาหารให้คนกินเนี่ยเอาจะก้างหมาใจเนื้อก็อยใจเป็นอาหา เว่าเอามือตรๆจกรประเด็นที่ว่าใหญ่ของเมื่อกี้ในเรื่องอยู่แล้วล่วงเข้าไปเนีมันมุดติดอยู่ตรงมานคันเอาร่วงไปที่มมงที่ติดมาโรยมันเป็นอะไรก็ยากไม่ว่าบย่งเข้าใจคำถามที้แต่ว่าให้รู้สึกรู้สึกเฉรู้สึกยคันคิดกับปุงแล้วเนี่ยกระปุงแล้วเนี่ยนทะเลาะกลิกจะไปอยู่กับคคิดแบบนั้นแล้วหากกันยังไปอยู่บอให้ฟังให้รู้ซื้อได้ซื้อไปยังง พอมกกเมื่ อ, ะะ อ, อ, อ ก, อออกี้เนี่ยเห็นซื่อๆนี่นายจะไปจะเป็นหัวโอ้อกเสาด้วยเลยพด้วยพระวิจารณ์เนี่ยตามันเป็นหน้าที่ของดูหูมหนนบบนันเป็นหน้าที่ของฟังลมรู้สรืเขาเคลื่อนไหวอันนี้แบเป็นหน้าที่ของจิโร่เข้าใจไหมเออเพื่อให้เรารู้สึกทัง้งตาทั้งหูงอะไรเรากระตุก<ๆ>มันมั น, มนจีวัยเอม็มมันจะเป็นเอม็มเพราะลมเลยมันมีมันมียุททุกอันเลยได้เหรบัดนี้ก่อพออยู่เพียเนี่ยมันเย็นยิ่งกว่าผู้จัดโลกเลยนี่คนมาจากที่เขาผู้จัดโลก เรียก อ, อะนรมาผ่านตาเลยนี่ว่าคมเร็วมันเร็วก็เสียงฟ้าเนร็วก็เสียงฟ้าแมทนะเนี่ยเร็วก็เสียงว่ามันดังเสร็จคือมีเร็วก็ไฟเร็วก็ทุกยามจริงๆเรื่องสติปัญญาเรื่องผมรู้เรื่องห ม, มึงโอ้โหบ่ญมีผกจีบอวอลเรื่องสม บ, บตุติ์วอลเนี่ยเวอลเท่าไหร่ก็ยิ่งหลายไปเรื่นี้เข้าใจไหมครเข้าใ